จี๊ปดอทขนาดใหญ่หลายคันเคลื่อนผ่านประตูเรกมหึมาที่เปิดกว้างออกมหมดทั้งสองบานของสถานีกักสัตว์บริษัทไทยไวทร้า right, ยเข้ามาอย่างแช่มช้าเรียงกันมาเป็นขบวนเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึมอยู่ในเกียร์ต่ำขณะที่ชรอผ่านช่องประตูเข้ามาเสียงตะโกนทักทายและสับประสันเนียงแห่งการโกรรขนอนรมานหุ่นวายอันเป็นธรรมดาของทุกครั้งที่การขนสัตว์ป่ามาถึงดังปะ ป, ปนการฟังไม่ได้สับ พวกคนงานนับสิบภายในสถานที่นั้นวิ่งกันคึกคักออกมาต้อนรับเตรียมการลำเลียงขนถ่ายสัตว์ป่านานาชนิดที่บรรจุอยู่ในกรงหรือมิชา น, นั้นก็หีบลังลงจากรถมันเป็นสถานีกักสัตว์เพื่อเตรียมส่งออกนอกประเทศที่ใหญ่โตและทันสมัยที่สุดตั้งอยู่ในเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า15ไร่ภายในกาแพงคอนกรีตแข็งแรงกั้นรอบสถานที่ทาการของบริษัท เป็นอาคารทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางบริเวณซึ่งแวดล้อมไปด้วยกรงขังสัตว์ทุกชนิดนับตั้งแต่กรงนกเล็กๆขึ้นไปจนกระทั่งพันเนียดช้างเกือบจะเป็นสวนสัตว์ย่อยๆตั้งอยู่ในระหว่างครึ่งทางของอารยาธรรมแห่งเมืองหลวงและความว่างปเปล่าเปลี่ยวป่าเถื่อนของดงดิบชายในชุดสีกากีผู้นั่งกึง่งโหนอยู่ตอนหน้าของรถบรรทุกคันแรก ซึ่งผ่านประตูเข้ามาทิ้งตัวลงจากรถเลี่ยงมายืนใต้ร่มจามจุลีใหญ่ใกล้ซุ้มประตูถอดหมวกปีกใหญ่คาดแถบด้วยหนังเสืดาวออกตกกับขาฝุ่นกระจายคุ้งควักบุหรี่ออกมาจุดสูบตาสีน้ำตาลหลีมองดูรถบรรทุกที่ยาะทยอยผ่านประตูเข้ามาทีละคันเหล่านั้นนานๆก็ตะโกนสั่งงานกับคนขับสักคาในห้องรับแขกรูำรบนตึกที่ทาการ อำพลพระรากรผู้อำนวยการบริษัทไทไว้์ไรท์ระจากการสนทนาเดินไปดึงสายมุรี่อลูมิเนียมให้กระดกเปิดขึ้นมองฝ่าหน้าต่างกระจกลงไปแล้วบุยปากนั่นไงครับเขามาแล้วผู้เป็นแขกทั้งสามคนสุภาพบุรุษวัยชะกันสองและสุภาพสตรีสาวหนึ่งลุกขึ้นจากโซฟาชุดรับแขกโดยเร็วเดินไปที่หน้าต่างบานนั้น พุ่งสายตาจับไปยังเป้าหมายเบื้องร่างระยะห่างประมาณร้อหเมตรเป็นตาเดียวยืนอยู่ข้างประตูนั่นนะหรือครับผู้เอ่ยถามเป็นคนแรกเป็นบุรุษร่างสูงใหญ่ผิวขาวคางเหลี่ยมมีเส้นหนวดกันเรียวอยู่เหนือริมฝีปากสง่า ง, งามเยือกเย็นครับนั่นแหละคนที่คุณชายต้องการพบผู้อํานวยการบริษัทไทไวท์ไรต์ตอบอย่างสุภาพ อีกบุรุษหนึ่งซึ่งยืนมองอยู่ข้างๆผิวปากหือลักษณะของเขาเป็นคนแจม่มใสอารมณ์รื่นเริองอยู่เป็นนิดร่ำสารแข็งแรงตามแบบฉบับของชายชาตรีคนหนึ่งพะผ่ภ า, ภาสิผมรู้สึกจะชอบเขาซสีแล้วทั้งๆ ท, ที่เห็นปั๊บเดียวระยะไกลๆอย่างนี้หญิงสาวร่างโปรง่งประพิมพ์าพายคล้ายบุรุษคนแรกแต่ทรงใบหน้ารูปไข่ตาใหญ่ทั้งคู่คมกริบ เป็นประกายแวววามอยู่เป็นนิดในขณะนี้หล่อนไม่ได้มองจับที่ภาพนั้นด้วยตาเปล่าธรรมดาเหมือนคนอื่นๆหากแต่ใช้กล้องสองทางไกาอันกระทัดรัดปรับเรนจับนิ่งอยู่ที่นั่นหล่อนยิ้มออกมานิดๆพร้อมกับยักไหลเมื่อเรนของกล้องให้ภาพที่แจ่มใสสนัดขึ้นประหนึ่งว่าเป้าหมายยืนห่างอยู่เบื้องหน้าในระยะแค่เอื้อม กิตติศัพท์ชื่อเสียงของเขาดูจะค้านกันมากกับรูปร่างลักษณะที่เห็นอยู่ในขณะนี้หล่อนพูดเสียงใสพร้อมกับหูเราะ อ, ออกมาเบาๆฉันนึกหลับตาวาดภาพในครั้งแรกว่าเขาควรจะอยู่ในวัยสัก40ขึ้นไปรูปร่างสักขนาด6ฟุตเป็นอย่างน้อยแต่มันตรงข้ามเป็นหมดตัวเขาเล็กนิดเดียวสูงเห็นจะไม่เกิน5ฟุต7นิ้วเป็นอย่างมากผอมเกรง ฉันไม่ชอบหน้าเยี้ยมเยี่ยมที่ไม่มีรอยยิ้มของเขาเสียเลยนี่ล่ะเหรอรพินภัยวันจอมพรานชื่อก้องที่เรากําลังจะต้องพึ่งเขาตัวเขาเล็กก็จริงครับคุณหญิงแต่ไม่ว่าจะเป็นฝีมือหรือน้ําใจบุรุษผู้นี้ยิ่งใหญ่นักยิ่งกว่านั้นยังเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวเขาเป็นรูปผู้ชายจริงๆท่านที่จะที่จะหาได้ไม่ง่ายนักผมจะให้คนไปเชิญเขาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ รพินไทยวันดีดก้นบุรีลงไปขยี้ดับด้วยปลายรองเท้าที่หนาทึบไปด้วยฝุ่นของเขาเมื่อรถคันสุดท้ายผ่านประตูเข้ามาหมดขบวนควักผ้าขนหนูขึ้นมาเช็ดเหงื่อตามลำคอพร้อมกับเป่าลมพูออกจากปากเหมือนจะขับไล่ความร้อนอบอ้าวของแดดบ่ายกลางเดือนมีนาคมนายประเสริฐผู้จัดการสถานีกักสัตว์ก็เดินฝ่ากลุม่มอันทำงานอยู่วุ่นวายของพวกคนงานพื้นเมืองเข้ามาอย่างรีบร้อน ส่งเสียงร้องทักยิ้มแย้มรูงหน้าเข้ามาก่อนที่จะถึงตัวอย่างคุ้นเคยแลพินยิ้มและทักทายตอบมายืนอยู่ตรงนี้เองนะหรือครับคุณพรพินท่านผู้อำนวยการให้ผมมาเชิญคุณขึ้นไปบนบริษัทหน่อยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปผมเพิ่งมาถึงมันร้อนหรือเกินจะดูคนงานขนลำเลียงเจ้าพวกนั้นลงหน่อยอะไรก็ไม่สาคัญเท่ากับเจ้าแรดตัวนั้นเรากาลังรีบ การต่อกลงรู้สึกจะบอบบางไปหน่อยถ้าลำเรียงลงไม่ดีกลงมันอาจแตกแล้วมันก็จะวุ่นวายกันใหญ่เขาพูดด้วยน้ำเสียงเบาต่ำอันเป็นนิสยัยตามองจับไปยังการขนลำเรียงในขณะนั้นเที่ยวนี้รู้สึกว่าจะคลึกคลักมากนะครับตั้งเจ็ดคันรถเป็นไงได้ครบจำนวนตามออเดอร์หรือเปล่าทั้งสองยืนพูดกันอยู่ท่ามกลางเสียงเ อ, อ, เอกกะเออกเกิรของคนงานพื้นเมือง ซึ่งกำลังทํางานกันอยู่รักโขนไปกับเสียงร้องคํารามของสิงสาราสัตว์รอบด้านขาดอยู่อย่างเดียวคือลิงเท่านี้เราได้มาเพียงพันสองอกว่าตัวเท่านั้นยังขาดอยู่อีกตั้งครึ่งไม่รู้มันเป็นยังไงแล้งคราวนี้มันยกฝูงย้ายถิ่นไปหมดแต่พวกสัตว์ใหญ่ดูเหมือนจะเกินกว่าที่ผมเองหรือคุณอัมพลคาดไว้แต่แรกสิริซ้ํานอกจากเจ้าแรดน้ําหนักตัวสองตันกว่าที่เราฟุกได้มาเหมือนฝัน ผมยังมีรูปกระทิงมาฝากเป็นของขวัญคุณอมพลอีกตัวหนึ่งรายพาดกรอนสองเสือดาวห้าไอ้ดำอีกสามโดยเฉพาะเสือดำถ้าคุณอมพลเห็นแล้วจะตะลึงทีเดียวผมก็ยอมรับว่าไม่เคยเห็นเสือดำตัวไหนใหญ่เท่าไอ้ตัวนี้มาก่อนน้องๆไอ้ลายทีเดียวมีหนำซ้ำยังเป็นเสือยุ ก, กำลังจะ ก, การเต็มที่ไม่มีรอยตำหนิเสียโฉแม้แต่นิดเดียว ส่วนสัตว์อื่นๆก็ตรงตามลิสต์ที่ผมส่งมาให้ร่วงหน้าแล้วทุกอย่างเที่ยวนี้คุณเห็นจากกระเป๋าหนักไปนานนายประเสริฐพูดปนหัวเราะรพินพัยวานยักษ์ไหลแต่เที่ยวนี้ผมลงทุนไปแยะนอกจากเงินทุนค่าใช้จ่ายความเหนื่อยยากจนแทบจะเอาชีวิตตนเองไม่รอดแล้วผมยังเสียพรานพื้นเมืองมือดีที่ทางานกับผมมาแต่ไหนแต่ไรไปอีกสองคนคนหนึ่งเหลวเละไปทั้งตัวเพราะเจ้าแรดตัวนั้น ส่วนอีกคนหนึ่งมีหวังพิการไปตลอดชีวิตคุณประสิทิ์คิดว่าคุ้มกันเหรอสำหรับเงินที่ผมจะได้รับในครั้งนี้ว่าแต่คุณอาพลกำลังทำอะไรอยู่อยู่ในห้องรับแขกส่วนตัวบนตึกอำนวยการครับมีแขกอยู่ด้วยสามคนมาด้วยรถส่วนตัวจากกรุงเทพถึงที่นี่ก่อนเที่ยงเล็กน้อยรู้สึกว่าจะเป็นพวกคนใหญ่คนโตและมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้อานวยการมาก่อนอย่างดี ขณะนี้กำลังสนทนากันอยู่เป็นชายหนุ่มสองคนผู้หญิงสาวอีกคนหนึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนพอคุณมาถึงผู้อำนวยการใช้ผมมาตามคุณขึ้นไปนี่แหละครับเขาพยักหน้าไม่ได้สนใจอะไรกับคำบอกเล่าของนายประเสริฐผู้จัดการนักบอกว่าเอาละครับคุณไปเรียนคุณอําพลเถอะว่าอีกสักประเดี๋ยวผมจะขึ้นไปจัดการอะไรทางนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน ผู้จัดการพระไปและพีนเดินแยกไปบงการควบคุมผู้คนงานที่กำลังขนลำเลียงกรงสัตว์ลงอยู่อย่างเกลียวกราวเอิกระเลิกในขณะนี้สัตว์ใหญ่อันตรายถูกลำเลียงลงจากรถบรรทุกอย่างระมัดระวังตามลำดับบางชนิดก็ถูกขนไปปล่อยไว้ในกรงเหล็กของสถานีกักสัตว์อันเตรียมไว้ก่อนแล้วบางชนิดก็คงให้อยู่ในกรงไม้ที่ใช้บรรจุมาโดยพักไว้ชั่วคราวก่อน มันเป็นงานที่ไม่ใช่ทำกันได้อย่างสะดวกง่ายดายนักขณะนี้กรงไม้ขนาดใหญ่ที่ตีฝาทึบลักษณะเหมือนลังอันบรรจุเจ้าเสือดำตัวเขื่องที่สุดกำลังถูกพวกคนงานสีห้าคนช่วยกันผลักเลื่อนมายัางบริเวณส่วนบรรทุกตอนท้ายของรถซึ่งมีไม้กระดานขนาดใหญ่สองแผ่นทอดเป็นสะพานสำหรับใช้ชะลอเลื่อนลงมาทางนั้นเสียงเจ้าป่าแผดคารามก้องอยู่ในกรงทึบอย่างเปรี้ยกราด และคนไปกับเสียงเฮโรโรโหระพาของเจ้าพวกคนงานพื้นเมืองที่ช่วยกันเข็นเรื่อนอยู่ในขณะ น, นี้ดูเป็นที่สนุกสนานระพินขมวดคิ้วยังหงุดหงิดสาวเท้าจากรถบรรทุกอีกคันหนึ่งเดินตรงเข้ามาโดยเร็วพร้อมกับร้องตะโกนเตือนความสนุกสนานคือ ข, ขนองของคนงานพื้นเมืองเหล่านั้นการส่งเสียงเอกอะเล่นกันไปพรางของเจ้าพวกนั้นเท่ากับยื่อยุให้เจ้าป่าบังเกิดความตื่นเต้นดุร้าย และสำแดงฤทธิ์ดิ้นรนพยายามจะแหกกรงออกมาให้ได้แทนที่จะสงบลงเขาเดินกลับมาอย่างไม่ทันจะถึงที่นั้นพวกคนงานก็ผลั ก, กลงเสือดำมาถึงไม้สองแผ่นที่ทอดเป็นสะพานแล้วช่วยกันพยุงยกลังขึ้นวางบนไม้เพื่อจะให้ไหลเรื่องลงไปยังพื้นเบื้องล่างจะเป็นเพราะเจ้าพวกนั้นมัวแต่ระเริงเล่นกันเห็นเป็นของสนุกหรือจะเป็นความสะเพาขาดระมัดระวังของคนงานอีกสามคน ที่คอยยืนรับอยู่เบื้องร่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทราบได้ปรากฏว่าไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่วางคานอยู่ระหว่างท้ายรถกับพื้นดินถูกถลายเลื่อนแตะติดกับขอบท้ายในตอนบถในตอนบรรทุกของรถอยู่เพียงมินเมนิดเดียวเท่านั้นและสายตาของรถพินก็เหลือไปเห็นเข้าพอดีเฮ้ยระวังสะพานไม้แผ่นนั้นเขาร้องตะโกนออกมาสุดเสียงช้าไปเสียแล้ว เสียงร้องเตือนของเขายังไม่ทันจะขาดคำกรงใหญ่บรรจุเสือดำซึ่งบตดนี้ถูกยกขึ้นมาวางอยู่บนไม้กระดานทั้งสองแผ่นเตรียมที่จะโรยเชือกตามเพื่อให้ค่อยๆเลื่อนลงไปสู่พื้นก็พลันหล่นวูบลงมาอย่างกระทันหันทั้งกรงเพราะไม้กระดานแผ่นที่วางอยู่อย่างมินเมอันนั้นรอดพ้นออกจากการพ้าติดอยู่กับขอบรบกรงที่ประกอบขึ้นด้วยไม้หยาบๆตีไว้ไม่แน่นหนาอะไรนะัก กระทบกับพื้นเบื้องร่างโดยแรงดังสนัน่นส่วนหนึ่งแตกหักออกในทันทีนั้นพร้อมกับเสียงแผดคำรามกึกก้องของเจ้าป่าท่ามกลางความตรึงตึงเพลิดของคนงานทุกคนเสือดําขนาดมหึมาดิ้นโดนตะกุยตะกายอย่างดุร้ายเมื่อเห็นช่องแห่งอิสรภาพและในพริบตามันก็เพ่นพรวดออกมาได้โจรก็ใส่คนงานที่ยืนตรึงขวางหน้าอยู่ใกล้ที่สุดด้วยสัญชาตญาณตื่นเต้นหนีภัยมากกว่าที่จะคิดทําร้าย ชายผู้นั้นร้องแหลมออกมาสุดเสียงร้มคืนลงดิ้นพลาดอยู่กับพื้นใบหน้าถูกอุ้งเล็บตะปบแยบเยินไปทั้งแถบลูกตาหลุดหายไปข้างหนึ่งเลือดสาดเจ้าเสือดำพุ่งปราดเข้าใส่คนต่อๆไปเท่าที่ทิศทางแห่งการเพนทยานของมันจะผ่านไปได้แต่กระจัดกระจายเลือดสาดไปตามๆกันท่ามกลางเสียงร้องโวยวายอ็ดอึงอย่างตื่นตระหนกของคนงานผู้ประสบเหตุทั้งร้าย โกราหนไปตลอดทั้งบริเวณสถานีกักสัตว์ทุกคนเพ่นหนีหลบเข้าหาที่ซ่อนอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมทั้งตะโกนบอกการฟังไม่ได้สับเฮ้ยเสือหลุดชิบหาใหญ่แล้วไอ้ดำหลุดโว้ยระวังระพรินภายวานได้สติในคลิปตานั้นเจ้าป่าพุ่งลิ้วผ่านคนงานที่วิ่งหลบกันอยู่จ้าระวันในขณะนี้มายัางเขาอย่างรวดเร็วจอมพานกระโจนวูบเข้าหลบหน้ามออรถของรถบรรทุก มันเผ่นผ่านหน้าเขาไปอย่างหวุดหวิดแล้ววิ่งเตลิดส่งเสียงคำรามตรงไปยังบริเวณอันสลับซับซ้อนของกรงสัตว์อื่นๆซึ่งบัดนี้พากันส่งเสียงร้องคำรามกันขึ้นรั่นไปหมดเพราะความแตกตื่นเขาหันไปตะโกนสั่งยามหน้าประตูให้รีบปิดประตูเหล็กลงโดยเร็วป้องกันไม่ให้เจ้าเสือกรงแตกหลุดออกไปพ้นจากบริเวณได้ในขณะเดียวกันก็ร้องตะโกนบอกให้คนงานทั้งหลายเร่งหลบเข้าไปที่ตึกอํานวยการ ทุกคนวิ่งกันวุ่นชุรมูลไปหมดหลายต่อหลายคนได้รับบาดเจ็บจากเขี้ยวเล็บของพยะคร้ายแต่ไม่มีใครถึงกับเสียชีวิตในขณะนี้เพราะมันกำลังตื่นไม่ได้มุ่งที่จะประหัรประหารขย่ำใครโดยเฉพาะนอกจากใครอยู่ใกล้กีดขวางหน้าก็ตบกันผ่านไปชั่วขณะเท่านั้นหลายต่อหลายคนคว้าปืนวิ่งกันออกมาและระดมยิงกันสนัน่นถูกที่ไม่สำคัญไม่สามารถจะหยุดยั้งมันไว้ได้ นอกจากจะเป็นการยั่วยุทวีมันเพิ่มความดุร้ายขึ้นอีกอย่างบอกไม่ถูกการยิงไม่สามารถจะยิงได้ถนัดนักเพราะกลุ่มคนงานเองที่วิง่งหนีแตกตื่นกระจัดกระจายอยู่ในขณะ น, นี้รวมทั้งสัตว์อื่นๆที่อยู่ในโครงอันอาจจะโดนลูกหลงเกิดความเสียหายขึ้นได้และปืนที่คนงานใช้เหล่านั้นก็ล้วนเป็นปืนลูกซองแต่ละคนก็ยิงด้วยความตื่นเต้นตกใจไม่ได้สติระพินยืนโคลงหัว สบทสบานพึมพำอยู่ในลาคอเขาไม่รู้ที่จะตัดสินใจอย่างไรถูกจะร้องห้ามพวกคนงานที่กำลังถือปืนกันกระเราะกะล่าพวกนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเสียแล้วทันใดนั้นนายประเสริฐผู้จัดการก็วิ่งกระหืดกระหอบออกมาจากตึกอํานวยการร้องตะโกนบอกพวกคนงานเสียงหลงเฮ้ยหยุดยิงทุกคนไม่ต้องยิงประเดี๋ยวถูกกันเองตายโงงไปเท่านั้นพวกเองหลบไปให้หมด พวกนั้นจึง่ากันวิ่งหนีหลบเข้าไปที่ตึกอำนวยการหมดสิน้นผู้จัดการก็วิ่งหน้าเริด ม, มาที่เขาซึ่งในขณะ น, นี้ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวซึ่งยืนอยู่ในที่โรงกลางบริเวณสถานีกักสัตว์ใกล้กับรถที่จอดอยู่ร้องบอกระร่ำระลักคุณระพินจัดการกับไอ้ดำนั่นทีเถิดครับชิบหาใหญ่แล้วจะให้ผมจัดการยังไงเขาถามขึมคม ผู้อำนวยการบอกให้คุณยิ้งทิ้งเลยครับแล้วเขาเถอะประเดี๋ยวไม่มีไม่ใครก็ใครก็ถูกขย่ำตายบ้างเท่านั้นเลือดสาดกันไปเป็นระนาวแล้วนายประเสริฐพูดลิ้นพันกันอยู่เช่นนั้นหน้าซีดตาเหลือจอมพลานหัวเราะหึ อ, อยู่ในรำคอคนงานของคุณนี่ไม่ไหวเลยจริงๆคุณประเสริฐขนาดผมคุณให้เขาทำงานอยู่อย่างใกล้ชิดแท้ๆทาอะไรเป็นเล่นกันไปหมด าปากเตือนยังไม่ทันจะขาดคำเลยก็เกิดเรื่องยุ่งขึ้นเสิแล้วเสือดำตัวนี้เป็นตัวขนาดงามที่สุดบอกตรงๆผมอยากจะจับเป็นโอไม่ได้หรอกครับชิบหายแน่ถ้าคุณขืนมัวแต่คิดจะจับเป็นอยู่ยิงเธอครับผู้มในการก็สั่งอย่างนั้นผมไม่รับผิดชอบนะสำหรับไอ้ดำตัวนี้เพราะมันมาหลุดอยู่ในสถานีกักสัตว์ของคุณ ยิงก็ได้แต่บอกสิก่อนว่าจะมาหักราคาเอากับผมไม่ได้แน่นอนครับไม่ต้องกังวลเลยในข้อ น, นั้นความผิดเป็นอยู่ที่บริษัทของเราเองผู้จัดการบอกเร็วปือพระพินภัยวันสันศีษะช้าช้าอีกครั้งเงโกเข้าไปในรถคว้า3006ออกมาแล้วเหนี่ยวแขนผู้จัดการสถานีกักสัตผักลุนให้เข้าไปนั่งอยู่ในรถอยู่ในนั้นแหละอย่าออกมาจนกว่าจะเรียบร้อยว่าแล้ว เขาก็ร่วงมือลงไปในกระเป๋าย่ามของเสื้อราสัตว์ที่สวมอยู่หยิบลูกซินเวอร์ทิปออกมากระชากลูกเลื่อนออกยัดลูกปืนเข้าไปในรังเพลิงพิงนัดเดียวกระแทกลูกเลื่อนปิดแล้วเดินดุมๆตามรอยของเจ้าดำซึ่งเห็นมันเพ่นหายไปทางกรงสัตว์ที่ขังไว้เก่าๆด้านซ้ายของบริเวณสายตาทั้งหมดจับยิ่งมายัางร่างของจอมพลานเป็นตาเดียวได้ใจอันสั่นระทึกรวมทั้งผู้อำนวยการปริษัท และผู้เป็นแข่อีกสามคนซึ่งมองเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นทางหน้าต่างกระจกบานนั้นด้วยความตื่นเต้นสายตาอันคมกริบเฉียบวัยของเขาเริ่มกวาดอย่างระมัดระวังไปรอบด้านเมื่อตอนเองเดินช้าๆอยู่ในระหว่างกรงนกเงือกภายใต้เงาของต้นทองหลางใหญ่ใกล้ซุ้มขอยทึบแล้วชะงักนิ่งประสาท ต, ตื่นพร้อมเมื่อได้ยินเสียงคารนกล้องออกมาจากซุ้ม่อยนั้น ฝูงนกเงือกในกองตะข่ายขนาดใหญ่พากันแตกตื่นส่งเสียงร้องและบินกันพึบพับมองรอดกองตะข่ายทะลุไปยังซุ้ม่อยตรงข้ามเห็นตาขียวปัดปากแดงฉานที่อาสแยะและกลงเขียวขาวไอ้ดำนอนหมอบอยู่ที่น่านกำลังเรียแผลจากกระสุนลูกซองซึ่งฝังอยู่ที่ตะโพอันเกิดจากการยิงอย่างส่งเดชของพวกคนงานเขาตวัดไรเฟิลขึ้น ใ, นใจเย็น ตาจับอยู่ที่เป้าหมายอันมีระยะห่างประมาณไม่เกินสิมเมตรโดยมีกรงนกเงือกกั้นกลางไอ้ดำเพ่นพรวดพลาดขึ้นโดยเร็วก็โจนต่ตะกุยตะกายขึ้นไปบนต้นชัำฉาพอถึงคาครบก็หมอบตัวทำหูรู้อ้าปากเสียเขี้ยวมาทางเขาพร้อมด้วยดวงตาอันลุกจ้าดุดร้ายและพลิบตานั้นเองมันก็เพ่นพรดสยายเร็บพุ่งลงมาใายอย่างดุเดือดโดยข้ามหลังกรงนกเงือกลงมา รบพินวาดลำกล้องปืนตามในขณะที่มันตะกายขึ้นไปบนต้นฉาฉามันก็เพ่นเข้าใส่3 0มก็แผดระเบิดกึกกล้องไปทั่วเป็นการยิงสวนในระยะเผาขนร่างของเสือดำขนาดใหญ่ประทาร่างของจอมพรานโดยแรงขอร้มกระแทกลงไปเบื้องหลังปืนหลุดจากมือกระเด็นส่วนเสือร้ายม้วนตัวสั่นริกๆอยู่กับที่ตรงนั้น มีแต่ส่วนหางยาวเท่านั้นที่แกว่งวาดไปมาอยู่สองสามครั้งแล้วก็สงบนิ่งผู้จัดการของสถานที่และคนงานทั้งหลายพากาันวิ่งพลูเข้ามาเป็นเวลาเดียวกับที่รบพินลุกขึ้นยืนช้าๆเดินมายืนโครงศีรษะอย่างสุดเสียดายอยู่ที่ซ่าของไอ้ดำร้ายกาตัวนั้นกรศนสุน3006เจาะแสกหน้าของมันทรุเลยออกต่ำกว่าต้นคอเล็กน้อย บนห้องผู้อำนวยการที่หน้าต่างกระจกทุกคนผ่อนลมหายใจที่สะกดกั้นไว้ออกมาอย่างโล่งอกจริงของคุณอัมพลหนึ่งในสองของสุภาพบุรุษผู้เป็นแขกคลางออกมาตัวเขาเล็กก็จริงแต่ฝีมือและน้ําใจไม่เล็กเลยผมเองเคยยิงเสือมาสองครั้งบอกตรงๆว่าขณะที่ยิงมือสั่นเป็นเจ้าเข้าทาั้งทั้ที่ผมก็บอกตัวเองว่าในบรรดาคนกล้าทั้งหลายแล้ว ผมเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นเวลายิงก็เป็นเวลาที่นั่งอยู่บนห้างแต่ถ้าจะให้รางวัลผมซักแสนให้ผมเดินถือปืนเข้าไปยิงเสือซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้แล้วก็เห็นจะไม่รับประทานผมชอบการยิงสวนในระยะประชิดของเขาจริงๆอีกชายหนึ่งพูดตายังจับอยู่ที่เป้าหมายเดิมไม่เปลี่ยนเป็นประกายสดใสทีแรกผมนึกว่าเขาจะยิงผ่านลูกกงตะข่ายของนกเงือเข้าไปเสียอีก แต่เขากลับรอจังหวะให้มันพุ่งกระโจนลงมาใส่และยิงในขณะนั้นผมก็อยากจะเชื่อตามคุณอมพลว่าในข้อที่รับรองว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษและนักกีฬาคนหนึ่งเพราะแม้กระทั่งสัตว์เขาก็ยังให้โอกาสกับมันถ้ามือเขาไม่ดีจริงเมื่อกี้นี้ก็เขาอาจถึงแก่ชีวิตมันเป็นการแลกกันอย่างยุติธรรมดีหลือเกินเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บบ้างนะคะ น้อยเห็นเขาถูกเสือตัวนั้นกระโจนลงมาปะทะรม้มโรงแม้เขาจะยิงมันตายก็ตามแต่ทำไมเห็นเขาลุกขึ้นมาอย่างปกติทุกอย่างพวกนั้นรุมมุงกันใหญ่แล้วหญิงสาวผู้ยังใช้กล้องสองทางไกายสำรวจเหตุการณ์ทุกระยะพูดขึ้นลักษณะที่หล่อนพูดดูเหมือนจะเจตนาพูดกับผู้เป็นพี่ชายแต่ผู้อำนวยการของบริษัทถ่ายไวไร้รตอบแทนทาอย่างสุภาพว่า กระสุนนัดนั้นของเขาจะต้องตัดสมองส่วนที่สำคัญที่สุดของมันครับคุณหญิงมันตายคาที่ในทันทีที่กระโจนลงมาก่อนที่จะทำร้ายเขาได้เขาถูกประทะล้มลงจากแรงเหวี่ยงที่มันกระโจนลงมาเท่านั้นรพินชอบยิงสัตว์ในขณะที่มันชาร์จสวนเข้ามาอย่างนี้เสมอเมื่อปลายปีที่แล้วเขาก็ต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพเสียสองเดือนกว่าเพราะยิงสวนกระทิงเจ็บตัวหนึ่งซึ่งผ่านพื้นเมืองของเขายิงไว้ก่อน กระสุนของเขาตัดสมองกระทิงตัวนั้นอย่างแม่นยำแต่เคราะเขาร้ายไปหน่อยเพราะเขายิงมันในขณะที่ชาร์ลีเข้ามาในระยะไม่เกิน15หลามันชนเขาด้วยแรงที่วิ่งมากระเด็นรอยไปสรบอยู่กับพื้นซี่โครงหักส่วนตัวมันเองก็ล้มคว่ำอยู่ข้างๆร่างของเขาความจริงเขาเกือบตายเพราะอาชีพของเขามาหลายครั้งแล้วแน่เขากําลังเดินมาโน่นแล้วเราคงจะได้พบเขาในไม่อีกกี่อึดใจนี่แ่ละครับ รพินพายวันเปิดประตูห้องรับแขกของผู้มีการบริษัทไทไวท์ไรท์ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสัญญาติดต่อซื้อสัตว์ป่าเป็นๆกับเขามาเป็นเวลานานก้าวเข้าไปแล้วหยุดชะงักนิดหนึ่งอัมพลพระรากรยิ้มร่าอยู่ก่อนแล้วร้องทักพร้อมกับตรงเข้ามาจุดแขนนําเดินไปที่โต๊ะรับแขกซึ่งขณะนี้มีบุคคลที่เขาไม่เคยรู้จักสามคนพากันจ้องมองมาก่อนแล้วเป็นตาเดียวเขายังไม่มีโอกาสที่จะสังเกตคนเหล่านั้นได้ถนัดนัก ในสายตาที่ชำเรีองผ่านานเพราะกำลังพูดโต้อตอบทักทายอยู่กับ่วมในการบริษัทผมเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นคนของคุณเจ็บสาหัสไปคนหนึ่งเลือดตกยางออกกันไปอีกสี่ห้าคนเพราะความสะเพาของพวกเขาเองแท้ๆพรานใหญ่พูดอย่างสำรวมน้ำเสียงของเขาเบาเรียบอัมพลหัวเราะหนักน่วงแล้วโอบไหลไว้อ้อยเรื่องเล็กไม่ต้องกังวลไปหรอกคุณรพิน ขอบคุณเหลือเกินที่ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยถ้าไม่มีคุณอยู่ด้วยวันนี้ผมว่ากว่าจะเอามันอยู่พวกเราคงจะวุ่นกันไม่ใช่น้อยดีไม่ดีอานมีใครตายก็ได้มันเป็นความผิดของคนของผมเองแต่ผมเสียดายมันเหลือเกินมันเป็นเสือดำตัวงามที่สุดเท่าที่ผมเคยพบเห็นมาช่างมันเถิดครับทำไงได้ละ่ะถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็ต้องฆ่าพวกเราคนใดคนหนึ่งแน่ๆลงหลุดออกมาแบบนี้แล้วก็ต้องยิงทิ้งเท่านั้น เรื่องที่จะจับเป็นเห็นจะไม่ต้องหวังผมยินดีที่จะชดใช้ให้คุณตามราคาว่าแต่นี่แนะ่เราอย่าไปสนใจรายเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยผมกําลังรอพบคุณอยู่ทีเดียวอําพลหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งหันมาทางบุคคลทั้งสามที่จ้องมองกับการโผล่เข้ามาของระพินภัยวันอย่างเงียบๆขณะนี้เขาได้ผ่านใหญ่ยืนอยู่เบื้องหน้าของคนเหล่านั้น แล้วผู้อำนวยการบริษัทที่ดำเนินกิจการส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศก็กล่าวต่อมาโดยเร็วคุณรพินทั้งสามท่านที่นั่งอยู่นี่มีธุรชสำคัญยิ่งกับคุณและได้เดินทางจากกรุงเทพมาดักรอพบคุณอยู่ที่นี่ก่อนหน้าคุณจะมาถึงสองชั่วโมงเศษแล้วผมเป็นคนติดต่อส่งข่าวรุ่งหน้าไปให้ทราบเองว่าวันนี้เป็นวันที่คุณจะเดินทางเข้ามาส่งสัตว์ตามกาหนดเวลาเลยนัดให้ท่านมา ระพินภัยวานมีสีหน้าตื่นงงเล็กน้อยตาสีน้ำตาลเข้มของเขากราดผ่านไปหน้าของบุคคลทั้งสามผัดผ่าดอีกครั้งเห็นแต่เพียงสองชายลุกขึ้นยืนและยิ้มให้ส่วนหญิงสาวคงนั่งไขว่ห้างอยู่ตามเดิมเพียงแต่จ้องตาดำสนิทคมกริบนิ่งมานายอัมพลผู้อํานวยการอันเป็นเจ้าของสถานที่ก็กล่าวแนะนำว่าท่านผู้นี้คือพันโทหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริศ อดีตทูตทหารบกประจำสหรัฐแต่ในขณะนี้นอกราชการท่านบูนี้คือพันตรีชายยันอนันตรายเพื่อนสนิทนอกราชการเหมือนกันทั้งสองกล่าวทักทายเขาก่อนพร้อมทั้งส่งมือมาให้จับรับปินจับมือพร้อมทั้งก้มศีรษะให้ภายหลังจากทักทายคนทั้งสองเสร็จนายอัมพลก็ภายมือไปทางหญิงสาวหลอนมองดูที่เขาตลอดเวลาแล้วและสุภาพสตรีผู้นี้คือ แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์ดารินวราริ์น้องสาวของคุณชายเชษฐานักศึกษาที่กำลังจะทำปริญญาเอกทางมนุษยวิทยาเขาก้มศรีรษะให้กับหญิงสาวผู้ถูกแนะนำเป็นคนสุดท้ายอีกครั้งหล่อนดูเหมือนจะยิ้มให้นิดหนึ่งและก้มศรีรษะตอบรับอย่างไว้ตัวเชิญนั่งสิครับคุณละพินผมรู้สึกยินดีเหลือเกินที่ได้พบคุณตามที่เจตนาไวเชษฐาวราฤทธ นายพันโทนอกราชการกล่าวขึ้นด้วยเสียงทุ้มต่ำสุภาพอ่อนโยนพร้อมกับยิ้มทั้งหมดนั่งลงตามเดิมรวมทั้งรพินผู้หย่อนตัวเป็นคนสุดท้ายอย่า ง, งงงงอยู่เช่นเดิมพันตีชายยานเป็นคนลินบรันดีให้เขาพลานใหญ่ไม่อาจเดาถูกว่าคนทั้งสามที่มารบรอพบเขาในขณะนี้มีวัตถุประสงค์เช่นไรบอกกับตนเองตามความสังเกตเท่าที่เห็นผาดผาดในขณะนี้ว่า หม่อมราชวงศ์เชิฐถาเป็นชายหนุ่มอายุประมาณส5สิบห้าปีลักษณะสุขุมเยือกเย็นผิวพรรณท่วงท่าบอกชัดว่าเป็นราชสกุลแต่ก็ดูเข้มแข็งบึกบืนอย่างชายชาตีแท้พันตีชายยันคงอายุไม่เกินสาสิบสามปีคุณลักษณะของเขาเป็นทั้งบุรุษเจ้าสำราญและนักเผชิญโชคเผชิญภัยปะปนกันอยู่ชนิดแยกกันไม่ออกส่วนหญิงสาวผู้นั้น มีอะไรที่สะดุดตาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือส่วดทรงหล่อนซ่อนร่างปโปร่งได้ส่วนสัตว์อยู่ในสร็คอันเป็นยีนขาวและเชิร์สปอร์สีน้ําเงินเข้มตัดผิวมะปางดูเด่นมองเห็นความสมบูรณ์งามสรัพยของสัตว์ส่วนได้อย่างถนัดเห็นจะไม่ใช่สาวน้อยแรกปลิหรอกชมเลืองด้วยหางตาก็พอจะคํานวณได้ว่าอายุของหล่อนจะไม่ต่ำกว่า 25-26 ปี เขาไม่สงสัยสักนิดเดียวว่าหล่อนเป็นน้องสาวของของหม่อมราชวงศ์เชษฐาเพราะประพิมพ์ปะพายบนใบหน้าใกล้เคียงกันอยู่แต่ออกจัดกังขาอยู่คลามคันว่าหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยนี่นะหรือคือแพทย์หญิงและนักศึกษามนุษยวิทยาที่กำลังจะทำปริญญาเอกหล่อนน่าจะเป็นนางแบบแสดงแฟชั่นจะเหมาะกว่าอะไรไม่สาคัญเท่ากับว่าลักษณะของหล่อนเย่อหญิงไวตัวหรือประมาณ ดูจะผิดไปกับพี่ชายลิบรับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราลิศคนนี้เราได้ยินชื่อเสียงคุณมานานแล้วเพิ่งจะได้พบตัวจริงวันนี้เองชายยานเอ่ยขึ้นบ้างส่งแก้วบรั่นดีมาให้ประธานโทษมีอะไรที่ผมจะรับใช้ได้หรือครับระพินถามขึ้นเบาๆอย่างสุภาพพร้อมกับมองตื่นๆไปทางนายอัมพล เสมอจะขอคำตอบจากภาวะงงเงันจับต้นชนปลายเดาเรื่องไม่ถูกขณะนี้เชิญคุณชายเริ่มพูดทูลได้เลยครับว่ากันไปตามสบายเลยไม่ต้องเป็นห่วงระหว่างผมกับคุณรพินไม่มีเรื่องเร่งร้อนอะไรกันนักหรอกและถึงอย่างไรคุณรพินก็จะต้องพักอยู่ที่ตาบล น, นี้อย่างน้อยสองสาคืนก่อนที่จะกลับเข้าป่าเวลาที่จะ ส, สนทนาหารือ ก, กันมีพอเพียงทีเดียวความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะ อดีตทูตทหารบกเชื้อพวงควักกล้องออกมาบรรจุสูบสีหน้าของเขาดูจะขรึมเคร่งลงมีอะไรบางสิ่งบางอย่างสองแววกังวลปรากฏชัดออกมาในแววตาขณะที่มองจับนิ่งมายังพรานใหญ่คุณรพินคันแล้วหม่อมราชวงศ์เชษฐาก็เริ่มขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำเมื่อปีกายนี้คุณท่องเที่ยวอยู่ในดงแถบหนึ่งที่ชาวบ้านป่าเรียกว่าโป่งกระทิง ทางทิศเหนือของหนองน้ำแห้งใช่ไหมครับจอมพ่านขมวดคิ้วคิดนิดหนึ่งและผงกศีสะลงเต็มไปด้วยความกังขาอย่างไรพิกลที่การเคลื่อนไหวของเขาอยู่ในการรู้เห็นของสุภาพบุรุษผู้นี้ชีวิตป่าปราศจากความสลักสำคัญกับใครทั้งสิ้นของเขาไม่น่าจะเป็นที่สนใจของใครเลยครับผมอยู่แถวๆนั้น คุณไปตั้งสถานีดักสัตว์อยู่ที่นั่นใช่ ย, ยันสอดมาโดยเร็วถูกแล้วครับผมไปตั้งแคมป์ดักสัตว์อยู่ที่นั่นและพักอยู่จนกระทั่งได้สัตว์ครบตามจำนวนที่ต้องการเชิฐาถอนหายใจหนักหน่วงสายตาที่จ้องมองดูเขาเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเร้นรับคุณเคยพบนักล่าสัตว์ชาวพะนครคนหนึ่งใช้ชื่อว่าชดประชากรที่นั่นบ้างไหม ระพินนิ่งเหมือนจะคิดทบทวนอยู่อีกอึดใจเดียวก็ก้มศรีรษะลงอีกครั้งครับผมเคยพบเขามาตั้งแคมป์อยู่ข้างๆแคมป์ของผมประมาณสองอาทิตย์เพื่อพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อไปเอ๊เรื่องนี้ดูเหมือนผมจะได้รับจดหมายจากทนายความคนหนึ่งเมื่อประมาณสักสามสเดือนที่แล้วมาขอสอบถามว่าผมทราบอะไรเกี่ยวกับนักราศาสตร์ชาวพนคร ที่ชื่อชดผู้นี้บ้างแล้วผมก็ได้เขียนจดหมายตอบทนายความคนนั้นไปแล้วเท่าที่ผมทราบในขณะนั้นเชษฐาชายยันและดารินมองสบตากันแล้วผ่านไปจับอยู่ที่เบ น, น้าเขาเป็นตาเดียวตามเดิมเชษฐากล่าวต่อมาอย่างแช่มช้าระมัดระวังทนายความที่จดหมายติดต่อ ส, สอบถามมายังคุณเป็นทนายของผมเอง จดหมายของคุณได้ถูกส่งต่อมาให้ผมคุณบอกในจดหมายนั้นว่าสุภาพบุรุษชาวพระนครคนหนึ่งชื่อชดประชากรได้ออกเดินทางจากโป่งกระทิงเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมพร้อมด้วยผานพื้นเมืองอันเป็นชาวเซิงคนหนึ่งอันเป็นลาวเซิงคนหนึ่งชื่อหนานอินแจ้งความประสงค์ว่าเขาจะออกเดินทางบุก ป, ป่าไปยังหมู่บ้านกะเรียงไกลที่สุด คือหมู่บ้านดมช้างซึ่งเป็นพรมแดนติดกับพม่าเขาบอกคุณว่าเขาจะทิ้งเกวียนละสัมภระที่ไม่จำเป็นของเขาไว้ที่นั่นและออกเดินทางต่อไปด้วยเท้าคุณยังเล่าต่อไปว่าชดประชากรได้เดินทางไปยังหมู่บ้านลมช้างตามที่เขาบอกคุณไว้เพราะคุณได้ผ่านไปยังหมู่บ้านนั้นในโอกาสหนึ่งและได้เห็นเกวีตลอดจนสัมภระบางส่วนของเขาเท่าที่คุณจาได้ ตกอยู่ในการดูแลของกะเหรี่ยงคนหนึ่งข่าวที่คุณทราบก็คือชดกับคนใช้อันเป็นพานพื้นเมืองชื่อหนานอิงบุกป่าลึกกันต่อไปอย่างที่เขาเคยได้บอกกับคุณไว้ทุกอย่างครับผมเขียนเล่าไปเช่นนั้นพานใหญ่รับคำแล้วต่างก็นิ่งเงียบกันไปอีกครู่หม่อมราชวงหญิงดาลินเวราลิต ท, ที่นั่งร่วมอยู่ได้อย่างสงบโดยไม่ได้ปิปดปากคาใดทั้งสิ้นมาแต่แรกขยับตัวยางอึดอัด ชะโงกไปหยิบบุหรีในกล่องกลางโต๊ะรพินถือไรเตอร์เดาะเล่นอยู่ในมือก่อนแล้วขอจุดขึ้นในทันทีนั้นและยื่นส่งไปให้ตาคมกลิบของหล่อนเหลือบขึ้นสบเขาอีกแว บ, บหนึ่งก่อนจะจุดดาลินกล่าวขอบใจเบาๆและพ่นควันขึ้นสูงจะเป็นแพทย์หญิงจะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกทางมนุษยวิทยาหรืออะไรตามที่นายอพัพลกล่าวแนะนาก็ตามสาหรับสายตาของรพินในขณะนี้ ขอมองเห็นหลอนเป็นเด็กที่ได้รับการพนอเอาอกใจมาสีจนเคยตัวคุณรพินครับพี่ชายเสียอีที่เต็มไปด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนได้กล่าวต่อมาผมคิดว่าคุณคงจะได้ละแค่ละคายหรือมิฉะนั้นก็อาจเดาถึงต้นเหตุของการเดินทางของชดประชากรได้ถูกกรุณาให้ความจริงกับผมเถิดครับว่าเขาเดินทางฝ่าเขาดงลึกกันดารครั้งนั้น ด้วยความประสงค์อะไรผมเคยทราบมาบ้างในบางอย่างครับพระพินไพรวันเอ่ยขึ้นอย่างใคร่ควรระมัดระวังแต่แล้วก็หยุดชะงักนิ่งเสียเหมือนจะเปลี่ยนใจทำให้เชฐษฐาและชายยานทวีความร้อนรนกระสับกระสายยิ่งขึ้นรีบพูดมาว่าก่อนอื่นเพื่อตัดปัญหาตัดความกังขาของคุณทุกชนิด ผมอยากจะเป็นฝ่ายเล่าหรืออธิบายอะไรให้คุณได้ฟังให้แจมแจ้งเสียก่อนดีเหมือนกันชา ย, ยานเสริมมาโดยเร็วหันไปมองดูสหายที่ร่วมคณะมาด้วยอย่างน้อยคุณพินจะได้หมดสงสัยเสียทีเขายังไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างว่าเรามาพบเขาด้วยจุดประสงค์อะไรเปิดสัการาดแรกเริ่มเราก็ตั้งคำถามเอากับเขาทั้งนั้นเรากบบจะมีการสอบสวนอะไรกันขึ้นโดยเขาก็ไม่รู้ตัว กอนั่นนาสิก้าพี่ใหญ่ก็ชักช้าเสียเวลาอยู่ได้นั่นเป็นประโยคแรกของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินที่เขาได้ยินเป็นครั้งแรกหล่อนพุ่งออกมาอย่างลำคาญชะโงกตัวมาเคี่ยวเท่าบุรีแรงๆก็บอกไปสิค้าว่านายชดประชากรอะไรนั่นแท้ที่จริงก็คือน้องชายของพี่ใหญ่และพี่ชายของน้อยเองเราต้องการสื่อเพื่อติดตามหาตัวบุคคลที่ใช้ชื่อปลอมอย่างนี้และถ้าเป็นไปได้ เราต้องการว่าจ้างในพรานใหญ่อย่างเขาให้เป็นคนนำทางระหว่างที่ราพินยิ่งงงงนหนักพี่ชายหันไปมองดูน้องสาวด้วยสายตาตำหนิพึมพำบ่นอะไรออกมาเบาๆหญิงสาวหัวเราะแปลงแต่งรู้สึกว่าหล่อนจะรำคารวงสนทนา น, นี้เต็มทีลุกขึ้นเดินสู่บุรีไปยืนดูวิวอยู่ที่หน้าต่างเสียหม่อมราชวงเชื่าหันมาทางจอมพรานอีกครั้งขออภัยนะครับ น้องสาวของผมอาจจะเป็นคนใจร้อนสักหน่อยเขาเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วน้องสาวคนเล็กของพี่ๆลูกสาวคนเล็กของพ่อแม่ลิบเดชก็เลยมากเสียยิ่งกว่าเสือดำที่หลุดกรงเมื่อตะกี้นี้เสียอีกพันตีชายยานสอดมาเบาๆเหมือนจะบ่นกับตัวเองแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาอย่างมากมายหล่อนดูเหมือนจะได้ยินเสียงนินทาของเพื่อนชาย ร้องตอบมาทั้งๆ ท, ที่ยังยืนกอดอกทอดสายตาดูอะไรอยู่ที่หน้าต่างอย่ามาทําปากมากไปนะช ย, ยันแผลใส้ติ่งของเธอที่ฉันเป็นคนผ่าไว้มันอาจกําเริบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้พี่ใหญ่ก็เหมือนกันเป็นตัวการต้นเหตุเรื่องยุ่งทีเดียวก็ไม่เพราะพี่ใหญ่ทะเลาะกับพี่กลา ง, อ ย, างอย่างรุนแรงหรอกเหรอท่านพ่อก็เข้าข้างพี่ใหญ่ทุกอย่างจนกระทั่งพี่กลางต้องซัดเซพนเจอนจรออกจากบ้านกลายเป็นคนสาบสูญไปเช่นนี้ ขณะนั้นน้อยไม่ได้อยู่เมืองไทยร่วมเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยถ้าน้อยอยู่น้อยจะไม่มีวันเข้าข้างพี่ใหญ่เด็ดขาดและพี่กลางก็คงไม่ซัดเซไปถึงเพียงนี้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พี่ชายนิ่งเงียบเพื่อนชายย่นหน้าแล้วหัวเราะหึ่หไม่ได้โต้อตอบอะไรอีกทั้งสิน้นนายอัมพลผู้อานวยการบริษัทไทยไวท์ไรท์หัวเราะ อ, อ่อย อ, อยท่าทางเต็มไปด้วยความพินอบพิทาว อ, อกอกใจ ดูร่อนจะเป็นที่เกรงใจของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาของบุคคลทั้งสมนี้เป็นการมาที่ได้รับการต้อนรับขับสู้จากนายอัมพลอย่างเต็มที่อันแสดงถึงว่าเคยมีความสัมพันธ์เคารพนับถือกันมาก่อนเป็นทุนเดิมเดี๋ยวนี้แม้จะยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกและพินก็พอจะดาวได้รางๆว่าอะไรเป็นอะไรหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินยังคงยืนพิงอยู่ที่หน้าต่าง หันหน้าลงไปเบื้องร่างอันเป็นบริเวณกรงกักสัตว์ตะวันบ่ายศาสจับร่างฟรีระหงของรอนทำให้สังเกตชัดได้หมดทุกส่วนสัตว์ถนัดตากว่าขณะที่นั่งอยู่สูงเกินกว่าขนาดรายเฉลี่ยทั่วไปของหญิงไทยเล็กน้อยไหล่พึ่งเอวกิว่วสะโพกกลมหนาลับกับลำขาอวบใหญ่แข็งแรงภายในกางเกงยีนรัดรูปผิวของรอนดูจะเข้มจัดกว่าพี่ชายเสียอีก เป็นผิวของคนที่นิยมกรัมอยู่กลางแดดกลางลมอย่างนักกีฬากลางแจ้งทั้งหลายจมูกเชิดแสดงถึงความร้นลิมฝีปากบางสอแววเจ้าอารมณ์ถือดีตาคมเฉียบฉลาดบางขณะก็อาจแฝงแววขาวเพราะความอวดดีของตัวเองวัยของร่อนเจนโลกมาพอสมควรแต่ไม่ถึงกับกล้านระพินพินิดหล่อนโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็สะดุง้ง เมื่อหม่อมราชวงศ์เชษฐาทำลายความเงียบขึ้นว่าถูกแล้วครับคุณรพินชดประชากรที่พบคุณแท้ที่จริงก็คือน้องชายของผมเองและเป็นพี่ชายของดารินเขาคือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศโอ้พรานใหญ่อุทานออกมาบัดนี้เขาพอจะนึกออกแล้วจริงสิครั้งแรกที่เขาโผล่เข้ามาเห็นหม่อมราชวงศ์เชษฐา เขาบอกกับตนเองครับค้ายครับคาว่าจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่แล้วก็คือภาพความจําที่เขาเคยเห็นในจากชดประชากรนักราสัตว์พระเจนจรชาวกรุงคนนั้นนั่นเองสองพี่น้องมีสวนระไม้กันมากเรามีกันอยู่สามคนพี่น้องครับเชษฐาเล่าต่อไปด้วยเสียงแหบต่ําในระหว่างที่ชายยันและอัมพลมีสีหน้าเศร้าสลดตรงดูเหมือนคนทั้งสองจะรู้เห็นเ ห, นเหตุการณ์เรื่องราวมาก่อน เขาเป็นน้องชายคนกลางห้าปีมาแล้วผมไม่นึกเลยว่าเราจะเกิดผิดใจและเป็นปาเสียงกันอย่างรุนแรงมันดูเหมือนจะเป็นข่าวเคราะห์ของเราจริงๆแต่ก็เป็นเรื่องสามัญธรรมดาระหว่างพี่น้องอันเปรียบเหมือนลิ้นกับฟันนั่นแหละผมยอมรับสารภาพว่าในขณะนั้นผมได้กระทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ยุติธรรมต่อเขาเพราะความโกรธพันตรีชายยานโครงศีรษะช้าช้า และจุ๊บปากออกมาเบาๆแน่ละเขาย่อมเป็นคนหนึ่งที่รู้เห็นเรื่องราวในระหว่างพี่น้องมาอย่างใกล้ชิดขณะนั้นเจ้าพ่อของเรายังมีชีวิตอยู่ท่านเข้าข้างผมในการทะเลาะกันของเราเขาตเตลเิดเปิดเปิงหนีหายออกไปจากบ้านและถูกตัดออกจากกองมรดกในที่สุดเจ้าพ่อของเราก็สิ้นลงเขาไม่ได้รับอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่ได้หวนกลับเข้ามาในบ้านตระกูลอีก ผมเริ่มรู้สึกตัวในความใจดําของผมเองและออกสืบหาติดตามเขาการสืบติดต่อกันมาเป็นปีๆทําให้ผมพอจะได้ระแคะระคายเป็นเลาๆว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นชดประชากร อ, ออกบุกบันเดินป่าเพื่อแสวงหาโชคอย่างลมๆแรงๆของเขาเหตุการณ์เหล่านี้ผมมาทราบเอาเมื่อสามปีให้หลังผมไม่มีโอกาสที่จะตามเขาได้พบเลยในระยะที่แล้วมา เพราะเขาไม่ยอมติดต่อส่งข่าวใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งครั้งล่าสุดผมเพิ่งจะได้ข่าวเขาจากคุณรพินซึ่งแจ้งไปทางทนายความของผมผมได้ทราบว่าคุณรพินนอกจากจะเป็นพรานผู้ชำนาญเป็นนักต่อสู้ตามแบบฉบับของลูกผู้ชายแท้จริงแล้วยังเป็นสุภาพบุรุษพอแก่การที่จะร่วมรับรู้ในเรื่องราวครอบครัวของผมซึ่งถือว่าเป็นความรับและอาจให้ความช่วยเหลือผมได้ จดหมายติดต่อของคุณกับทนายความของผมให้ความหวังแก่ผมแล้วตั้งครึ่งคอ่อในเรื่องที่ทราบถึงเหตุการณ์เคลื่อนไหวเกี่ยวกับอนุชาผู้เป็นน้องชายร่วมสายโลหิตของผมว่าในครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นเขายังปลอดภัยมีชีวิตอยู่ซึ่งทำให้ผมมีหวังจะติดตามเขาพบแกยังไม่ได้บอกคุณละพินให้ชัดเลยว่าเราต้องการความช่วยเหลืออย่างไรพันตีชัยยันท้วงเตือนขึ้น ผมต้องการติดตามตัวเขากลับคืนมาครับคุณพระพินไม่ว่าจะใช้งบประมาณทุ่มเทสักเท่าไหร่และไม่ว่าจะเสี่ยงอันตรายสักขนาดไหนคนที่จะเสี่ยงชีวิตร่วมกับผมในครั้งนี้ก็คือชัยยันเขาเป็นนายทหารนอกราชการขณะนี้ชีวิตส่วนตัวของเขาก็ไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรแน่นอนเป็นนักต่อสู้เผชิญโชคเผชิญภัยคนหนึ่งประวัติของเราคือผมอนุชาและชายยันเคยคบหา เล่นหัวคลุกคลีกันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งสามคนเรารักกันมากขณะที่ผมเกิดเรื่องกับอนุชาชายันก็รู้เรื่องอยู่โดยตลอดแต่เขาไม่มีทางที่จะประสานเกลียวสัมพันธ์ของพี่น้องเราได้อย่างไรนอกจากความพลอยเป็นทุกวิตกแทนเมื่อผมคิดขึ้นมาได้ไละตัดสินใจที่จะติดตามอนุชาชายันก็สนับสนุนเต็มที่และเขาพร้อมแล้วที่จะร่วมทางไปกับผม ผมไปตามน้องชายส่วนเขาก็ถือว่าเขาไปตามเพื่อนรักยังไม่ทันที่หม่อมราชวงศ์เชษฐาจะกล่าวจบประโยคหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินก็หันกลับมาพร้อมกับพูดอย่างเยียบเจ็นว่าพี่ใหญ่แนละชายยันไม่ควรจะลืมน้อยสีคนหนึ่งนะคะและต้นเหตุในการที่คิดจะไปตามพี่กลางในครั้งนี้ก็มาจากน้อยนั่นเองกว่าพี่ใหญ่จะรู้สึกตัวว่าตนเองผิดก็ต้องทะเลาะ ก, กับอยู่กับน้อยหลายวัน จำไม่ได้สิแลนะหรือคะน้อยบอกพี่ใหญ่เองไม่ใช่หรือว่าถ้าพี่ใหญ่ไม่คิดที่จะไปตามพี่กลางกลับน้อยนี่แหละจะออกติดตามเอง2องชายคนหนึ่งเป็นพี่และอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเงียบกริบกันไปอีกได้แต่มองดูหน้ากันอย่างอึดอัดหม่อมราชวงดาลินหัวเราะแผ่วเบาเดินกลับเข้ามานั่งที่โซฟาตัวหนึ่งตรงข้ามกับพรานใหญ่ระพินตาจับนิ่งอยู่ที่เขาแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงแจ่มชัดมีกังวาลว่า หวังว่าคุณคงไม่รังเกียจที่จะเล่าอะไรให้เราฟังอย่างละเอียดเกี่ยวกับชายคนที่ใช้ชื่อว่าชดประชากรนั่นเป็นประโยคแรกที่รลอนพูดกับเขาโดยตรงด้วยสีหน้าและแววตาแสดงอาการวิงวอนระพินภัยวันมองประสานตาร่อนเพียงแวบเดียวแล้วก็เมินไปจับอยู่ที่เชิฐาและชายยันเขาไม่อยากจะสนใจถือเป็นสาระอะไรกับหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวย ทำท่าดือด้อๆรันๆผิดผู้หญิงคนนี้รอนจะเป็นแพทย์หญิงหรือนักมานุษยวิทยาก็น่าจะเป็นได้แต่คงไม่ใช่นักเดินป่าแน่ๆเขาคิดคุณทราบอะไรเกี่ยวกับการเดินทางของน้องชายผมที่โป่งกระทิงบ้างครับเชษฐากล่าวถามซ้ำเท่าที่ผมพอจะทราบก็มีอย่างนี้ครับระพินพูดเช่มช้าด้วยน้ำเสียงปกติได้ระดับของเขาว่าอันที่จริง ผมขอเรียนตามตรงว่าไม่ได้สนใจหรือเก็บมาคิดอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระคือคุณชดประชากร อ, ออกเดินทางไปในครั้งนั้นในว่าเขาต้องการจะบุกบั่นไปค้นหาขุมเพชรพระอุมาขุมเพชรพระอุมาทั้งสามอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันก่อนที่เขาจะกล่าวต่อไปชัยันรีบถามต่อมาโดยเร็วหน้าตื่นหมายความว่าอะไรกันครับ เราไม่เข้าใจเลยกรุณาอธิบายให้ละเอียดสักนิดพรานใหญ่ยักไหล่นิดหนึ่งสีหน้าของเขาขรุมสงบเฉยเมื่ออยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามกับผู้เป็นแขกทั้งสามซึ่งเต็มไปด้วยความเร่าร้อนกระสับกระส่ายเรื่องมันสลับซับซ้อนมากครับถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับนิยายนั่นแหละเอาละไหนๆคุณก็ได้บุกบานมาจนพบผมแล้วด้วยเจตนาอันแน่วแน่ ผมก็ยินดีที่จะเล่าอะไรให้พวกคุณฟังตามที่ผมได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนอื่นผมขอสัญญาก่อนสัญญาอะไรผู้พูดคือหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินหล่อนจ้องเขาตามไม่กระพริบเมื่อผมเล่าผู้คุณจะไม่หัวเราะเยาะหรือขัดคอขวางลำขึ้นกลางคันเรื่องมันออกจากพิษณานอยู่สักหน่อยเราขอรับรองได้เกียรติยศครับคุณรพินเชษฐาพูดหนักแน่นจริงๆัง และเราพร้อมแล้วที่จะรับฟังคุณอย่างเคารพทีเดียวชายยันรีบพูดรับรองมาอีกคนหนึ่งเขาเว้นระยะไปกู้ใหญ่ก็เริ่มขึ้นว่าคำว่าขุมเพชรพระอุมานี้เท่าที่ผมจำได้ผมได้ยินมาเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณสิบปีร่วงมาแล้วสมัยนั้นผมยังเป็นพรานฝึกหัดล่าลิงผาอยู่แถวแถวทุ่งพรายงามคนแรกที่เล่านิทานเรื่องนี้ให้ผมฟังเป็นพรานลาวเซิง ชื่นหนานพายหน้าเสียดายที่แก่ตายเสียภายในหนึ่งขวบปีให้หลังเพราะบาดแผลจากเขาของกระทิงหลังจากที่ได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ผมฟังขณะที่แก่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนั้นเป็นคืนวันหนึ่งที่เรานั่งห้างดักยิงเสือที่จะลงกินซากช้างอยู่ด้วยกันเราคุยกันสารพัดเรื่องเป็นการฆ่าเวลารอให้พระอาทิตย์ขึ้นเพราะเชื่อแน่ว่าคืนนั้นเลิกไม่ดีเสียแล้ว จะอย่างไรเสียไอ้ลายตัวขนาดแปดสอบที่เราตามพี่คาดมาันมาตลอดสองอาทิตย์คงจะไม่ลงมากินซากช้างในคืนนั้นแน่ๆผมชวนแกคุยเล่าให้ฟังถึงพิศสงของลูกระเบิดจากเครื่องบินที่ผมเคยเห็นในสมัยเด็กๆตอนสงครามโลก ค, ครั้งที่สองนี่แน่ทันใดนั้นแกก็พูดขัดลำขึ้นผมจะเล่านิทานให้คุณฟังพิฤึกกึกงกว่าที่คุณเล่าให้ผมฟังเสียอีก จะฟังไม่ล่ะผมยิ้มแล้วก็พยักหน้าแกก็เริ่มต้นเล่าให้ผมฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับนครรีรับหลงสำรวจประเภทเดียวกับนครลับแปลยังดินแดนอาห่างไกลท่ามกลางป่าลึกเรื่องที่แกเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในสมัยโบราณก่อนที่ประวัติศาสตร์จะมีการจารึกและมหาสมบัติครั้งนานเจ้า ซึ่งในปัจจุบันถูกกลืนหายเข้าไปในความมืดและความป่าเถื่อนของดินแดนอันรีรับนั้นถึงแม้จะฟังในลักษณะนิทานผมก็เงียหูฟังแกอย่างตั้งอกตั้งใจข้อความเหล่านั้นมันฝังแน่นสกิดเตือนอยู่ในความทรงจำผมมาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เหมือนภาพฝันประทับใจอันยากที่จะลืมครั้นแล้วในทันทีทันใดนั้นหนานไผก็ถามผมว่า นี่คุณเคยได้ยินชื่อขุนเขาพระศิวะซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสันเขาตะนาวสีมาบ้างไหมผมตอบแกไปอย่างขันๆว่าไม่เคยได้ยินชื่อภูเขาที่แกว่าและอธิบายให้แกฟังว่าภูเขาชื่อชนิดนั้นไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่ของภูมิศาสต์อ้าวนี่แหละคุณเป็นเด็กรุ่นหลังผมเป็นคนสมัยใหม่จะไปรู้อะไร หนานไพรกับยิ้มย่อผมคุณเขาพระศิวะก็คือสถานที่เก็บสมบัติของพระอุมาในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีค่านานาชนิดรวมทั้งเพชรพลอยแก้วแหวนเงินทองเป็นตุ่มตุ่มหายหายแต่นั่นแหละนะต่อให้คุณบุกบันเดินทางไปด้วยความพยายามสักเพียงใดก็ตามถ้าโชคไม่เป็นของคุณบุญวาสนาไม่ถึงคุณก็จะไม่มีวันเห็นภูเขาลูกนี้ได้เลย พวกพูดผีปีศาจเจ้าป่าเจ้าเขาจะปิดบังอำพรางไว้ไม่ให้ใครมองเห็นมันเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลุงไปเอานิทานหลอกเด็กเรื่องนี้มาจากไหนผมถามจะว่ามันเป็นนิทานก็ไม่เชิงนะพระทุดงพมา่าองค์หนึ่งท่านเล่าให้ผมฟังท่านบอกว่ามีนครอยู่นครหนึ่งตั้งอยู่ในระหว่างหุกเขาลูกนั้นเป็นนครใหญ่ยิ่งทีเดียวพลเมืองเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่ง แยกสาขามาจากเผ่าที่เจ้าของถิ่นสุวรรณภูมิเดิมเป็นผู้ที่รู้ความรับของสมบัติมหาศาลของพระอุมาและเก็บรักษาเฝ้าพิทักษ์อยู่มันก็อาจเป็นเมืองในนิทานนั่นแหละคุณเพราะไม่ว่าโลกภายนอกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจริญขึ้นเช่นไรนครนี้ก็ยังคงเป็นนครโบราณเหมือนเมื่อพันพันปีก่อนอยู่นี้อยู่เดิมกล่าวจบแกก็หัวเราะควักหมากที่พกติดย่ามระวาของแกขึ้นมาเคี้ยว ผมเองก็พลอยหัวเราะไปกับแกด้วยต่อจากนั้นนานพายกับผมก็แยกจากกันและแกไปถึงแก่ชีวิตพราะวัวกระทิงตามที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วแต่แรกผมดูเหมือนจะลืมเรื่องที่ตาพรานเท่านานพายเล่าให้ฟังในคืนนั้นเสียอย่างสนิทเกี่ยวกับขุมเพชรพระอุมาและนครหลงสำรวจที่ตั้งอยู่หลังขุนเขาพระศิวะจนกระทั่งมาสะดุดหูสะดุดใจซ้ำเข้าอีกครั้งหนึ่ง เหตุการณ์มันผ่านมาเป็นเวลาถึงห้าปีหลังจากนั้นดังเช่นเรื่องราวต่อไปที่ผมจะเล่านี้ณนะที่แห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านป่าเรียกกันว่าหมู่บ้านเสือร้องมันเป็นแหล่งแห้งแรงกันดานที่สุดชาวบ้านป่าพากันอดอยากแร้นแค้นทั้งน้ำและอาหารผมผ่านเข้าไปโดยบังเอิญ เพราะตามช้า ง, งาฝูงหนึ่งที่ผมแกะรอยสะกดหลังมันมาเป็นเวลาแรมเดือนผมเองล้มเจ็บตรงที่นั่นและตกอยู่ในสภาพทุเรศเหมือนเมือนกับชาวบ้านทั่วไปในขณะนั้นระหว่างที่ผมนอนแซวสมอยู่วันหนึ่งมีนักเดินป่าชาวพม่าคนหนึ่งได้มาถึงที่นั่นพร้อมกับเพื่อนนักเดินป่าครึ่งพมา่าครึ่งทวายของเขาและเขาก็เกิดมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นที่นั่นด้วยเราได้รู้จักกันเิน เขาบอกผมว่าเขาชื่อเนวินบ้านเดิมอยู่ที่เมรำเริงเขาพักอยู่ในหมู่บ้านนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์พออาการป่วยทุเราเขาก็เริ่มต้นออกเดินทางต่อไปรากรละนะสหายเขาโบกมือกับผมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนที่เราจะจากกันถ้าโรคมันกลมจริงถ้าผมหรือคุณไม่ตายไปสิกก่อนและเราบังเอิญได้พบกันอีก ผมจะเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโรคและผมจะไม่ลืมคุณเลยผมหัวเราะแล้วเฝ้ามองดูเขาซึ่งกำลังบ่ายหน้าตัดออกสู่ดงดิบมุ่งไปทางตะวันตกยังประหลาดใจอยู่ว่าเขาจะเดินทางบุกบั่นไปไหนเพื่ออะไรและสติเขาดีครบถ้วนหรือเปล่าในการที่จะเดินทางเอาชีวิตไปทิ้งเสียในป่าทึบกันดารที่ไม่ปรากฏว่าเท้าของมนุษย์เหยียบย่างไปถึงนั้น อีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอาการของผมเองดีขึ้นบ้างเย็นวันหนึ่งขณะที่ผมนั่งอยู่หน้าแคมป์เล็กๆของผมที่ปลูกติดอยู่กับดงทึบตาจับมองอยู่ที่ดวงอาทิตย์สาดแสงสรัวๆกำลังจะรับเปลี่ยมเขาถมืนเบื้องหน้าทัานใดนั้นเองผมก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดเดินป่าของคนที่เจริญแล้วปรากฏขึ้นบนพื้นราดของเชิงเขาเตี้ยริมห้วยตรงข้ามกับที่ผมนั่งอยู่ ห่างกันประมาณสัก3า0ร้อยเมตรร่างนั้นกำลังคลานอยู่กับพื้นแลพยุงกายลุกขึ้นอย่างโผเผเดินโซซัดโซเซไปมาสองสก้าวก็ล้มหวบลงไปหมอบคลานอยู่กับพื้นอีกรู้สึกว่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งผู้ซึ่งกำลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักผมสั่งให้คนใช้อันเป็นเกะเลียงของผมไปช่วยเขาและเมื่อเขาถูกนำเข้ามาพวกคุณท่ายถูกไหมครับว่า เขาควรจะเป็นใครจอมพรานถามขึ้นเนวินพม่านักเดินป่าคนนั้นกำลังหม่อมราชวงเชิถาพูดต่ำๆสีหน้าของทุกคนที่ฟังเขาเล่าอยู่ในขณะนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสงใจยิ่งระพินก้มศรีศรษะลงครับเนวินหนุ่มนักเผชิญโชคชาวพม่าคนนั้นหรือมิฉานั้นถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็เป็นหนังที่หุ้มกระดูกของเขา ใบหน้าของเนวินยามนั้นเหลืองจัดด้วยโรคดีซ่านและไข้ป่าดวงตาสีดำเหลือกลานเนื้อของเขาดูเหมือนจะหายไปหมดสิน้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากหนังอันเหลืองแห้งที่คุ้มกระดูกอยู่ผมของเขาที่เคยเป็นสีดำขณะนั้นกลายมาเป็นสีเทาน้ำเขาร้องครวญครางขึ้นแหบแหบฟังแทบจะไม่รู้เรื่องผมเห็นริมฝีปากของเขาแห้งผากแตกเป็นสะเก็ด ลิ้นสีดำคร้ำยื่นออกมาจุกอยู่ที่ริมฝีปากผมเอาน้ำจากกระติกประคองจรดกับริมฝีปากของเขาเนวินดื่มมันอย่างกระหายจนหมดแล้วอาการของเขาก็สุดหนักลงอีกผมจัดที่ให้เขานอนเขาก็เริ่มเพอ้อถึงเรื่องเทือกเขาพัศิวะและมหาสมบัติป่าลึกดงดิบผมช่วยเหลือเยียวยาเขาไปตามมีตำเกิดทางที่ผมก็รู้ว่าจะอย่างไรเสียในคืนนั้นเขาก็คงจะต้องถึงแก่ความตายแน่ ประมาณเกือบเที่ยงคืนอาการของเขาสงบความรุนทุรนทุรายกระสับกระส่ายลงบ้างหลับนิ่งไปช่วครู่ขณะที่ผมตื่นขึ้นอีกครั้งเป็นเวลาใกล้รุ่งจากแสงตะเกียงลั้วที่ผมจุดทิ้งไว้หน้าแคมป์ผมมองเห็นเนวินกำลังลุกขึ้นนั่งด้วยลักษณะอาการประหลาดและจ้องฝ่าออกไปยังดงดิบที่มีขุนขาเป็นทิวทมืนขวางกั้นอยู่ริบๆขณะนั้น รัศมีอ่อนๆของดวงอาทิตย์เริ่มกระจายขึ้นอาบแผ่นฟ้าทำให้มองเห็นผ้าพานธนอกแคมป์ได้รางๆมันอยู่ที่นั่นเนวินอยู่ใกล้กับการมรณะร้องลั่นออกมาพร้อมกับชี้มืออันมีแต่ ก, กระดูกของเขาออกไปแต่ฉันจะไม่มีวันได้ไปถึงมันอีกแน่นอนและก็จะไม่มีใครสามารถไปถึงมันได้เลยแล้วเขาก็หยุดชะงัก รู้สึกว่าเขากำลังพยายามรวบรวมสติพลังใจแน่วแน่เป็นครั้งสุดท้ายตาจ้องจับอยู่ที่ผมผู้ประคองเขาอยู่เคลื่อนยากคุณเองหรอกหรือตาผมฝาดไปหรือเปล่าทำใจดีๆไว้เนวินนี่ผมเองระพินสหายของคุณนอนพักเสียเถอะผมกำลังจะพักนไม่ช้านี่แหละเขาพึพมพำ ตาที่โบกโพรงค้างกระด้างจับอยู่ที่ผมอย่างปราศจากแววจะเป็นการพักที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมรู้ตัวดีระพินผมกําลังจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วคุณดีกับผมเหลือเกินก่อนที่ผมจะตายผมอยากจะมอบไรห้คุณสักอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนในข้อที่ว่าผมได้มาตายอยู่ในความเอื้ออารีของคุณสิ่งที่ผมจะให้คุณก็คือลายแทง บางทีคุณอาจบุกบ่านฟันฝ่าไปจนถึงที่นั่นได้ถ้าหากคุณสามารถเดินทางผ่านความยากแค้นธุรกันดาลของดงมหาการที่ได้ฆ่าผมมาแล้วนี้สำเร็จพร้อมกับพูดเขาพยายามที่จะร่วงลงไปในอกเสื้อเดินป่าเพื่อดึงเอาสิ่งหนึ่งออกมาซึ่งผมคิดว่าคงจะเป็นถุงสำหรับใส่ยาสูบของพวกพมา่าทาด้วยหนังสัตว์จาพวกกวางผูกติดไว้ด้วยเชือกหนังยาวๆเส้นหนึ่ง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 กระดาษแผ่นนั้นคือความหมายอันเป็นคำแปลทั้งหมดของอักขระในหนังแผ่นนั้นเนวินพูดด้วยเสียงแหบแผ่วเพราะอาการของเขาซุดลงเป็นลำดับมันกินเวลาหลายปีกว่าที่ผมจะศึกษาอ่านมันออกโดยแกะมันออกมาทีละคำด้วยความพยายามฟังนะเพื่อนยากบรรพระบุรุษแต่ครั้งโบราณการของผม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 เก็บรักษาไว้กับตัวคุณเองอย่าแพร่งลายให้ใครรู้เป็นอันขาดแล้วเขาก็เริ่มทุรนทรายอีกและต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ถึงแก่กรรมเขาตายอย่างสงบผมจัดการฝังศพเขาไว้ที่ชายโดงแห่งนั้นอย่างลึกและใช้ก้อนหินก้อนใหญ่ก็นหนึ่งทับอกเขาไว้เพื่อแน่ใจว่าเจ้าพวกสัตว์ป่าจะไม่สามารถขุดศพเขาขึ้นมาได้แล้วผมก็ออกเดินทางมาจากสถานที่นั้น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 ข้าพเจ้ามังมหานราธาผู้ซึ่งกำลังจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วด้วยความหิวและความเจ็บไข้ในถ้ำเล็กๆทางด้านเหนือของเต้านมด้านใต้สุดของภูเขาสองรูปข้าพเจ้าขอใช้ชื่อมันว่าฐานพระอุมาข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนี้ขึ้นนะปีพุทธศักราช2120ด้วยเศษกระดูกของจงอยปากนก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 เพื่อพระ อ, องค์จะได้เสด็จญาตตาทัพมาตามรายแทงนี้หากว่ากองทัพของพระ อ, องค์ไม่แหลกรานเสียก่อนในป่าดงขุนขาวอันกว้างใหญ่กันดานและลี้ับเต็มไปด้วยสรรพอันตรายและสามารถบุกเข้าไปจนถึงดินแดนแห่งความโหดเยี่ยมทารุณอันเต็มไปด้วยผู้ผีและอาคมแห่งมรกตนครพระ อ, องค์ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก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 ขอให้เขาจงสังหารแม่มดวาชิกาเสียด้วยเป็นการแก้แค้นให้แก่วิญญาณของขับเจ้าราก่อนมังมหานรธาทุกคนอึ้งแต่หญิงสาวผู้ทาหน้าที่อ่านดังๆผิวปากวือออกมาเมื่ออ่านจบสีหน้าพลายไปด้วยรอยยิ้มขันขันคุณรพินหล่อนเออเรียกนามเขาชัดเจนเสียงใสกลัวไปกับอาการหัวเราะ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 และผมก็ไม่ได้มีอัโยชน์อะไรเลยสักนิดในการที่จะบรรยายถึงเรื่องที่คุณเห็นเป็นสิ่งขบขันเหล่านี้แล้วผมก็ขอเว้นที่จะออกความเห็นหรือโต้แย้งว่ามันเป็นความจริงหรือความเท็จใดๆทั้งสิ้นผมทราบหรือผมเห็นมาอย่างไรผมก็เล่าให้ฟังไปเช่นนั้นดารินยกากไรถ้าคุณโกรธฉันก็ขอโทษฉันพี่ใหญ่แนละชัยยันเดินทางรอบโลกมาแล้วคนละสองครั้ง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 หม่อมราชวงศ์หญิงคนงามตวัดทางตาเหมือนจะค้อนให้เพราะรู้สึกในน้ำเสียงกระแทกของเขาคำว่าคุณหญิงที่เขาเรียกนั้นหล่อนเสือกเอกสารแผ่นนั้นคืนมาให้เขารัพินไพรวันพับเก็บหน้าตาเฉยพร้อมกับลุกขึ้นยืนแต่หม่อมราชวงศ์เชิฐารีพูดขึ้นโดยเร็วพร้อมกับเอื้อมมือมาฉุดแขนไว้โปรดนั่งเถิดครับคุณลพินผมต้องขอโทษแทนน้องสาวด้วย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 ผมอุทานออกมาอย่างประดาดใจบะอะไรกันไปหาเพชรเพชรที่ไหนกันในดงโน่นแกจะไปหาเพชรแกก็ต้องไปเดินอยู่แถวบ้านมอในกรุงเทพสิผมสับย่อเขาปนหัวเราะแต่คราวนี้เขาไม่ได้หัวเราะหรือเห็นเป็นเรื่องขบขันด้วยพูดได้เสียงจริงจังขึ้นเจ้านายไม่เคยได้ยินถึงขุนข่าวพระศิวะ ม, มาบ้างเลยหรือครับผมยิ่งหัวเราะดังขึ้นเออว่ะ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 เกรงว่าพ่านใหญ่หยุดพูดไปเสียเฉยๆโดยเว้นระยะไว้ให้ทุกคนคิดเอาเองภายหลังจากกลิ่นบรั่นดีเพิ่มเติมให้กับจอมผ่านผู้เล่าเรื่องราวทั้งหมดและดินให้แก่ตนเองยกขึ้นจิบแล้วหม่อมราชวงเชื่ถาพูดขึ้นด้วยเสียงชัดเจนหนักแน่นคุณระพินครับผมได้ตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนแล้วผมกาลังจะออกเดินทางตามตัวน้องชายของผมจนกว่าจะพบเขา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 เพราะติดนัดเลี้ยงพวกพานพื้นเมืองเพื่อนเก่าๆของผมเสียแล้วนานๆเราจะได้พบปะสังสรรค์รวมหมู่กันสักทีและผมเองก็เปรียบเหมือนหัวหน้าของเขาเหล่านั้นได้อาศัยพึ่งพาเขาอยู่เสมอกรุณาย้ายผมปิดนัดกับเขาเลยครับถ้างั้นคุณจะให้โอกาสนี้แก่เราได้เมื่อไหร่ครับเชษฐาถามมาโดยเร็วสีหน้าแช่มชื่นมีความหวังขึ้น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 หม่อมราชวงเชิฐถาอันเป็นหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นแผ่วเบาอย่างสุขุมรอบคอบขณะที่มองจับร่างอันเดินอยู่ดุ่มดุ่มของรัพินซึ่งกำลังจะรับหายเข้าไปในรถจี๊ปคันหนึ่งถึงแม้ผมจะพอใจและมั่นใจในสมรรถภาพของเขาสัเพียงไรก็ตามขอให้ผมได้รับความเห็นจากคุณอีกครั้งถิดกำพลชีวิตอนาคตของเราทั้งหมดพอจะฝากไว้กับเขาได้แน่หรือ เท่าที่ผมรู้จักเขามานะครับคุณชายผมขอรับรองได้ในเฉพาะด้านความซื่อสัตย์สุดจริตและความเป็นสุภาพบุรุษเชษฐาถอนใจออกมาอีกครั้ง พ, พึมพำสองสิ่งนี้เท่านั้นเราพอใจแล้วให้ตายสิมองเห็นเขาได้พูดจาสนทนากับเขารวมทั้งสิ่งแวดล้อมอันเป็นป่าเช่นนี้ทำให้ผมอดนึกไปถึงพวกไว้ฮันเตอร์หรือพานผิวค่ะ